เพื่อสังคมประชาะทั้งสิ้นเพื่อทองถินเจริญมก้าวไกลาชากิเปเรื่องให้ประเทืองและงามวิไลอาณาไม้พระปาน้ำไปขอตั้งใจอาสาเกศบาลโดยรับงานอากมายไลด้านเจ็บหรือตายหุ่นไหวย้ายบ้านเกศบาลต้องรับแจ้งมาเบ่าทำการที่ทำ ง, งานพรอมไปทุกระเพื่อนครนิวัฒนาเป็นคนตาคนไกลไง เทศบาลคือบันดนของการปกครองตามถลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อปพื่ันพละบ้างให้จำบางใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางทา น, นสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลก็คือเรามี่ช่วยสำคัญเทศบาล คนกระสานคอยรวมมือ สบาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ้นเจริญก้าวไกลาชาติคุณเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม้พระปาน้ำไปขอตั้งใจอ า, จาสาเทสบานโวยรับงานมากมายไร้บ้านเจ็บหรือตายหุนวายใหญ่บ้านเทศสบาลต้องรับแจ้ง ต้อ ก, การปกครองตามกลองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อป้องกันและบังให้จำบังใจด้วยการรับใทยกันไปเหนยแคไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิน้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางทการินสุขสันต์ทั่วกันเทศบาลก็คือเราที่ช่วยสัมพันธ์เทศบาล สัรวมประสานคอยรวมมื อ, อางานประทศน์ศิลาอาี่ลังศาสตร์รถดีเมืองพระศรีพนมบาทแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่อนามระบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศรีพนมมาตร์ศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุดณาสมบูรณ์ของเมืองละแวกที่ไม่มีวันสิ้นศูนย์สลายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการสื่งตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนมมาตรเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4ตุลาคมพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการเราท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้17นิก30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆขอ ง, ของทางราชการและบทเพลงต่างคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ ดีครับคุณผู้ฟังโซดีวันอังคารที่4ครับเต่วแบบันนี้มาพร้อมกับแดดครับแต่ก่อนแดดมาฝนฟ้าก็ลงมาคุณผู้ฟังเอาเป็นอย่างนั้นแหละครับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ก็ยังดีครับเรื่องของพายุพายุ ม, มันก็เบาๆไปแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องมาระแวงครับมีข่าวจะแจ้งให้ทราบคุณผู้ฟังระดับน้ําครับ ทางกองการประปาไปวัดระดับน้ําที่อ่างเก็บน้ําหนองนาเกลือนะครับล่าสุดตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่5เมตร80เซนแล้วคุณรู้ฟังเกือบจะขึ้นมา6เมตรแล้วนะครับซึ่งหนองนาเกลือนี้น่าจะได้ถึงประมาณ7เมตรแล้วคุณรู้ฟังแต่ตอนนี้ก็5เมตร80แล้วครับอ่าก็น่า ย, ยินดีครับที่เราจะได้มีน้ํา แหล่งเก็บน้ําของเราไว้ใช้จนถึงฤดูแรงปีหน้าจนถึงหน้าฝนปีหน้าเพราะก็ต้องรอครับรอฝนตกน้ํามาน้ําก็เข้าในอ่างของเราต่อฉะนั้นก็ต้องอยู่ในเรื่องของการประหยัดน้ํำนะคุณผู้ฟังยังต้องประหยัดน้ํากันนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแต่ก็ต้องเก็บน้ําเผื่อไว้ให้ยิงยาวไปจนถึงฤดูฝนหน้า ก็ฝากกันไว้ด้วยครับในเรื่องของน้ำประปานะครับ ใน เป็นความคิดถึงผลับคือวันวันหนึ่งต้องรบกวนใจเธอมาม า, าเรื่องทอถามใจ หาทางไปใกล้กันความเหงาไม่ใช่ราชการหยุดวันเศร์อาทิตย์ไม่ได้ได้โทษคุยก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เริ่มคิดถึงหลังจากวางสายคงเพิ่ม ง, งานให้เธอลำบากใจ กับการแพ่ใจคนคนหนึ่งความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไปหมดหากมีส่วนต้องทำให้ครู ก็ขอโทษที่คิดถึงเขาว่า้ารักมากพอแค่เห็นเบอร์ขึ้นจอก็เสื่อหากรักน้อยลงนิดหนึ่งแค่พูกคิดถึงก็ท่างเบอร์โทรจากคนคิดถึงต่าง สร้างความรำคาญใจกลัวว่าความห่วงใดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแอบเงาเมืองเงียบนาน้น เธอยงใครห่างนานบวกกับการรอกลายเป็นคิดมากประมาทโทษนะถ้าดูมากไปก็เพราะใจคิดถึงเกินทนความคิดถึงจากใจ ทำอะไรไวุ่นวายไปหมดหากมีส่วนต้องทำให้กรธก็ขอโทษที่คิดถึงหากมีส่วนทำให้กรธก็ขอโทษที่คิดถึง จนชินไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำรอายใจด้วยการนี้ไปหากันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมานักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน For a long time, the heart that t o r n t s o n ไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกลขอร้องอย่าทำร้ายใจด้วยการนี้ไปห่างกันถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมานักหนาจนเธอไร้ความเชื่อมัน Sooner or later, the a r t t h t thirsts for love w n i สาระน่ารู้วันนี้คุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องของหลังการออกเจครับต้องเลือกรับประทานอาหารแบบไหนดีคุณผู้ฟังใช่ว่าหลังหมดเทศกาลกินเจปุ๊บเราจะกลับไปรับประทานอาหารหนักๆได้ทันทีครับควรเลือกรับประทานอาหารซะหน่อยเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวทั้งนี้ในช่วง9วันที่กินเจครับระบบการย่อยอาหาร ของผู้รับประทานเจจะปรับจากการย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นการย่อยผักแทนเพราะฉะนั้นหากกินอาหารที่ย่อยยากทันทีหลังออกเจจะทำให้มีอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยได้ดังนั้นผู้ที่กินอาหารเจมาตลอดก็จำเป็นต้องปรับระบบการย่อยของตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยควรปรับพฤติกรรมการกินดังนี้ครับช่วงสองสามวันแรกของการออกเจ ควรเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายๆก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพได้เช่นนมไข่ผักและผลไม้หากเป็นเนื้อสัตว์ควรกินเนื้อปลาก่อนเพราะเนื้อปลาเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมีไขมันต่ำมีโปรตีนควรปรุงอาหารด้วยการต้มนึ่งหรือย่างแทนการทอดหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันเค็มหรือเผ็ดจัด ในช่วงสองสามวันแรกของการออกเจแต่ให้กินอาหารรสอ่อนๆจืดๆไปก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพการย่อยให้กลับมาเป็นปกติวันที่4เป็นต้นไปจึงเริ่มกินเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวได้ในปริมาณ น, น้อยๆแล้วค่อยกลับไปกินอาหารตามปกติหากดื่มนมวัวแล้วมีอาการท้องอืดท้องเสียก็เป็นเพราะในช่วงกินเจร่างกายไม่ได้ผลิตน้ำย่อยนมออกมา จึงอาจปรับตัวได้ไม่ปรับตัวได้ไม่ไม่เหมือนเมื่อตอนที่ดื่มนมดังนั้นจึงต้องค่อยๆปรับร่างกายโดยการดื่มดื่มนมจืดอุ่นๆทีละนิดหลังกินอาหารมื้อหลักไม่ควรดื่มรวดเดียวหมดและไม่ควรดื่มตอนท้องว่างและหากหลังจากนั้นไม่กี่วันเมื่อร่างกายปรับสภาพได้แล้วก็กลับมาดื่มนมได้โดยไม่มีอาการท้องอืดท้องเสียนอกจากนี้หลังออกเจควรชั่งน้ําหนักดูด้วยว่า น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเกิน2กิโลกรัมหรือไม่หากน้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงว่ากินอาหารเจที่เป็นแป้งและไขมันมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นออกกำลังกายและควบคุมอาหารเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงและปราศจากรคไข่ด้วยครับก็เป็นเรื่องราวของอาหารกับการปรับตัวหลังกินเจนะครับที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ ติดให้น้องอาศัยรับรองไม่รบกัว กวนช่วยคุณ ต้ต้นบักขาคทนเฮ็ดงานอยู่เมืองกรุงเทศเจ็บหัวใจคือคนตกน้ำยานุ่งครูบ้านด ใจปราณีเปลี่ยนเปลงฝากเพลงลอยล่องไปจากใจอ้นี้หมดหูปราณีหักนี้นโยยาพึ่งแบ่งคอยอ้แม่บอกเกิด จงแพ้แก้มแดงไให้ดียังหาเธอเสมอนนเจาสาวบ้านนาที่ชื่อปราณีหากบทเพลงนี้ดังจงฟังตั้งใจให้ดี สงครามนี้สัญญาอ้ยมัน าสาวบา้านาที่ชื่อปราณีหากบทเพลงนี้ดังจงฟังตั้งใจให้ดีส่งกราณีสัญญาให้มา สาวบ้านนาที่ชื่อปราณีหากบทเพลงนี้ดังจงฟังตั้งใจให้ดีสงกรานี้สัญญาอ้ายมานิเดนองสงกรานี้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องของกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนนะครับ ก็จะรับสมัครเด็กและเยาวชนครับอายุระหว่าง12ถึง19ปีนะครับที่เป็นเด็กเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลครับอายุระหว่าง12ถึง19ปีเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชนครับ1วัน2คืนนะครับก็คือ 17-18 ตุลาคมนี้ครับที่คุณฝางสวนมาะฮอมสเตย์ครับก็มีกิจกรรม มากมายครับแน่นอนว่าขุนฝางส่วนมา้าโฮมสเตย์ก็จะมีทั้งขีม่ม้ายิงธนูกิจกรรมแอดเวนเจอร์หลากหลายอย่างครับทักษะการใช้ชีวิตหลายอย่างซึ่งกิจกรรมนี้ครับเข้าร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับเสื้อที่ใส่เข้าร่วมกิจกรรมฟรี1ตัวครับสนใจ ก็มาติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษานะครับในช่วงวันเลื่เวลาราชการหรือจะทักข้อความมาในเพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาตรก็เรียนเชิญครับก็บมาติดต่อสอบถามนะครับติดต่อสอบถามได้เลยในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนครับก็รับเยาวชนในเขตเทศบาลครับอายุ12 ถึง19ปีนะครับอายุระหว่าง12ถึง19ปีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้1 1วัน2คืน1วันแล้วครับ อ, อไม่ใช่คือ1วัน1วัน2วัน1คืนสนใจนะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามที่กองการศึกษาครับหรือทักข้อความมาในเพจเฟซบุ๊กรับงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตบนสีพนมมาตินะครับก็อยากจะเชิญชวนครับน้องๆเยาวชน19ถึงอายุ12ถึง19ปีครับมาร่วมกิจกรรมครับเพราะว่าฟรีนะครับฟรีด้วยแล้วก็ได้ไปใช้ทักษะได้ไปเรียนรู้ลหลายๆอย่างครับโดยทีมงานที่ให้การอบรมนะครับ ควบคุมดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมรเรียนเชิญได้นะครับ ใจสัญขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของอาโอ้โดนและนอที่เขาเป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นก็ทันได้มีอยังเลย ่านห้อนพนนากับเรื่องราวที่คุณเคยจนมะฮอดเมื่อลงเอยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดกรู้รากกบบ่สำคัญเราเฮ า, า ก, กันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็น สองเฮาขอผู้ทำพอแม่ผู้เค้นตนใครสู่ควันรับเจ้ากับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยยิ้มบนน้ำ เป็นแฟนกันแต่อ้ายนั้นก็ทันได้มีอียังเลยผ่านห้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุณเคยจนมาฮอดเมื่อลงเอ่ยได้แต่งงานกันถึงบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะกินใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดกร็รู้รัก พอสำคัญเขาเฮาหักกันเราหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานผู้ครองสองเฮาขอผู้ทงขอแม่ผู้เค้นต้นไข่ส่ขันรับเจ้ากับอาอสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่ห้อยวิมปน้ำกัน บสิ้นชีวิขอวอนคนดีบอต้อมาเหมนภาพเข้าเคียงคู่เธออย่างเพ้อลำเข็นอย่ามาเห็นภาพจริงเลยนะไอกลัวหัวใจหยุดเต้น เห็นเต็มตาขอวอนการอาจจบกันด้วยดีรักล้มละลายร้องไห้กับแหลหัวใจบาซ่ากลัวเขามาตามซ้ำรอยขยีุบัตติเหัวใจทุกก ประกันบ่มีซ้อมเองจ่ายเอง เห็นภาพจริงเลยนะไอกลัวหัวใจหยุดเต้นตาเห็นเต็มตาขวอม ก, การอาจบกันด้วยดีรักล้มละลายร้องไห้กับแหนหัวใจบอสา ลัวเขามาตามซ้ำร้อยขยีอุบัติเหตุหัวใจทุกรรกรณีประกันบ่มีซ่อมเองใจเองอุบัติเหตุหัวใจทุกรรกรณีประกันบ่มี ส่งเอ๋ใจเอ กันที่พยากรณ์อากาศครับคุณผู้ฟังภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด ต, ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่าสุด2 2่สองถึงยีองศาอุณหภูมิสูงสุด3 1มสอถึงสาองศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศประจําภาคเหนือถึง17บเจ็นาฬาวันพรุ่งนี้นะครับก็หกอร์ครับ ไม่มีอุตรดิตรวมแตบผมว่ามันก็น่าจะมีประประป า, ยปายแบบวันนี้ละคุณดูฝังที่น้องเห็นไอเป็นบัสวงเป็นปุงปวงก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอไวไอยแกงกระโด อยู่ว่าลูตนย่านไอ้ทนรับมือบไ่ไหวตอนน้องตาสินใจว่าสิไปจากออ้คนนี้หากกะหากแต่หูอยู่ดอกว่าอา้ต้องถอยให้น้องไปดีให้เขาดูแลคือสิดีกว่านี้อ้าเข้าใจ ก็ยังบ่ลืมก็ยังคดออดคือเกา่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแต่ก็พออยู่ไหวไอ้บ่ได้เป็นอย่างไอ้แกงกระดอยังไอ้ใจต่อบ่ตายดอกสานีน้ำตาไหลก็เราว่าไอ้นันกินดี บอกได้มีอาการภูมิปัที่น้องเห็นไอเป็นบ่อส้วงเป็นพุงพวงก็แค่น้อยใจบอต้องเป็นห่วงแค่นี้อไอไหวไอแกงกะระดองไอยินดีทุกอย่างพร้อมสิ สี่บอัังให้เธอต้องทูกทนเมื่อได้เจอคนใหม่ที่ใช่พอหากหากแต่วอยู่ดอกวายต้องถอยให้น้องไปต่อเขาดีกว่ารัายังดีบ่พออายเขาใจก็ยังบ่เลยก็ยังคดห่อ เก่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแต่ก็พออยู่ไหวไอ้บ่ได้เป็นอย่างไอ้แกงกระดอยังหายใจต่อบ่ตายดกสานีน้ำตาไหลก็เพราะว่าไอ้นั้นยินดีบ่ดีมีอาการภุมไปที่น้องเห็นไอ้เป็น เป็นพวงพวงก็แค่น้อยใจเพราะต้องเป็นห่วงแค่นี้ให้ไวใอ้แก่งกระโดด ไเป็นอย่างไอแกงกระดอยังไอใจต่อโบตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็ราะว่ไอ้นั้นยินดีโบดีมีอาการภุ้มไปที่น้องเห็นไอเป็นบสวนเป็นพุงพวงๆกระแก่นน้อยใจบต้องเป็นพวงแค่นี้ไอไว้ ไอเก่งกระโดดไอบอได้เป็นยังไอเก่งกระโดดยังหายใจต่อบต่ตายดอกสานี้น้ำตาไหลเพระเพราอว่าไอมันยินดีบอได้มีอาการปุ๊ไปที่มองเห็นไอเป็นบ่อส่วนเป็นพวงกวงกระแง่น้อยใจ ต้องเป็นห่วงแค่นี้ไวอกงกระโดดต้องเป็นห่วงแค่นี้ไไว้อเกงกระโดด ได้เคยปิดบังบ่ได้เค้นบอได้อายอยังผู้ใดมาถามก็บอแต่อ้ายสิมูหรือเปล่าสิมูอหรือเปล่าทุกวันนี้เราจะเป็นจังไดดอกเป็นเจ้าของแค่งหัวใจปิดลบบอกคอยได้อยู่ข้างกาย โอซายจีก็ยังบ่มีรูปขูทุกคราวเข้าดูก็เห็นแต่มูกดไหลสิเบื่อแล้วเด้อสักที่ก็ผ่านลลยที่ไอ่ยวสมมาลมหนาวปลายเดือนตัวลาแ่สะกิดที่หัวใจละาอรู้สึกบ่นาลมหนาวยังทำหน้าทีไอจีบวยนะ้ ัองอยู่คนดีำบาเราทีจากหรือยังหากกันอยู่บอมีไภ่หูบอกมีไจ ย, ย, ยืนยันใจบาว่างแต่ข้างๆห่างกันจะเขา I just c a n ู้สึกบ v น้า คนมีคู่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ ประเทรเาิเป็นประาธิทกแท่